ต่อไปต่อนะต่อจากเมื่อกี้พิจารณาเกี่ยวในเรื่องของผมส่วนการกําหนดโดยความเป็นปฏิกูลห้าอย่างนะกําหนดโดยความเป็นปฏิกูลของโดยของผมเนี่ยนะโดยสีโดยสันฐานโดยทิศโดยโอกาสโดยปริเชิโดยสีนั้นผมนั้นมีสีปฏิกูลคือความไม่งามเนี่ยบาลีท่านใช้คําว่าอัญญาใน่ไม่งามเนี่ยแม้โดยสันฐาน อมนาปาก็คือไม่น่าชอบใจแม้โดยกลิ่นก็มีกลิ่นเหม็นโดยอาสยะคือที่อาศัยก็โดยความเป็นปัจจัยก็น่ารังเกียจแม้โดยโอกาสคือที่ตั้งก็เป็นสิ่งปฏิกูลเขาบอกว่าการกําหนดโดยสีโดยสันฐานนี่นะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นและโดยอาศัยะที่อาศัยโดยโอกาสโดยเป็นที่ตั้งเนี่ยถามว่าในขณะที่กําหนดโดยสีเนี่ยผมเป็นปฏิกูลโดยสีไหม เป็นปฏิกูลเพราะว่าผมนั้นไม่งามแต่ชนทั้งหลายก็จะเข้าใจกันว่าผมเป็นของงามอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่จริงผมนั้นไม่งามแล้วท่านจะให้เหตุผลว่าผมนั้นไม่งามอย่างไรอนะถ้าโดยสันธานล่ะโดยสันธานของผมคือยาวกลมเหมือนกับคันชั่งเนี่ยโดยสันธานก็ไม่น่าชอบใจสันธานของผมก็ไม่น่าชอบใจโดยกลิ่นผมเนี่ยโดยเนื้อแท้ของผมเนี่ยผมมันกินอะไรกินน้ําเลือดกินน้ําหนอง ที่ปักเข้าไปในหนังศีรษะนี่นะมันก็ดูดกินน้ําเลือดน้ำหนองฉะนั้นโดยกลิ่นแล้วเนี่ยผมไม่หอมถ้าใครมาบอกแล้วว่าผมหอมน่ะคนคนนั้นมันวิปริตมนสิการผมนั้นต้องเหม็นเพราะผมนั้นดูดกินของไม่สะอาดในกาเลวละในร่างกายที่ไม่สะอาดนี้ฉะนั้นเมื่อมันดูดกินเข้าไปแล้วผมนั้นโดยกลิ่นแล้วผมจึงมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ก็หลอกคนได้เยอะหลอกคนที่เขาไม่รู้ เขาก็นึกว่าผมมันหอมจริงๆผมเหม็นเพราะว่าผมเนีประกอบไปได้วยตัวขงผม ม, ม, มีดินน้ําไบลมนะดินน้ําไบลมสีแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นของผมเนี่ยคือกลิ่นของดินกลิ่นของน้ํากลิ่นของไบกลิ่นของลมทีนี้ผมเนี่ยปักลงไปในหนังศีรษะมันก็ดูดเอาของที่ไม่สะอาดเข้าไปหล่อเลี้ยงคือเลือดเอ้ยน้ําเหลืองเอ้ยเป็นต้นเหล่านี้ย ในกระเลวลาในร่างกายนี้มันก็กินอาหารอยู่ฉะนั้นโดยกลิ่นของผมแล้วเนี่ยก็คือกลิ่นของดินน้ำใบลมเนี่ยกลิ่นของผมจึงไม่เหม็นเอจึงไม่ไม่จึงไม่หอมเป็นกลิ่นเหม็นโดยโอกาสโดยโดยอาสยะคือที่อาศัยก็โดยปัจจัยเนี่ ย, นยกน่ารังเกียจแม้โดยโอกาสที่ตั้งก็เป็นสิ่งปฏิกูลก็คนทั้งหลายที่เห็นสิ่งอะไรที่มีสีคล้ายผมเนี่ยในภาชนะนเนี่ยนะเช่นว่า ถ้าว่าโดยเสียงโดยสีอะว่าข้าวต้มก็ดีแกงก็ดีอาหารต่างๆก็ดีนะถ้ามีผมตกลงไปแล้วเนี่ยคนเขาจะมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเขาก็จะไม่พึงพอใจเนะี่ยฉะนั้นอ่ะบ่งบอกให้เห็นชัดว่าปัสิกูลโดยแท้ใช่ไหมกลางคืนเนี่ยถ้าเรากินอาหารเข้าไปนี่นะตกัตกตกัตกตักแล้วมันมีอะไรคล้ายผมไม่ติดเข้าไปในปากด้วยจะมีความรู้สึกขยะขแข็งนันทีอย่างพรานี้ไปวิญญาณบาท น, า น, า น, า น, านี่จะเจอบ่อยมาก ได้ตักตักไปห้อกินผมก็ไปเสรแล้วต้องดึงที่อย่างยาวเลยอโดยมากจะยาวโดยมากเกี่ยวผู้หญิงนึ้งนั้นใช่ไหมตักบาดเนี่ยผมยังยา ว, ายา ว, ยาวที่เป็นครึบแลยบอกเอาอีกแล้วมาอีกแล้ ว, ออล ว, ออลวถ้าต้องไถ่ควนไปทําโทรสารเกิดก็ไม่ได้ผมนี่ปฏิกรูนโดยแท้ปฏิกูลโดยแท้แทต้องถามที่เขาบอกโอ้ถ้ามีใครเขาบอกว่าฉันรักคุณมากรักคุณกล้ากินผมใช่ไหมขอผมรักมากกินเลย ยอดแกงให้กินเขไม่เอาเขาไม่รักกินอย่างนี้ฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นปฏิกูลคนทั้งหลายเนียนนเวลากินอาหารเวลาคืนกินกลางตอนกลางคืนดังที่ได้กล่าวท่านได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่ไม่มีสันฐานอย่างกระผมแล้วเกิดความรังเกียจฉะนั้นโดยสังฐานก็เป็นของปฏิกูลด้วยประการอย่างนี้โดยสีก็ปฏิกูลโดยสันฐานก็ปฏิกูลโดยกลิ่น เว้นจากการตกแต่งการสากการนวดการทาน้ามันและการปราบผมดอกไม้เป็นต้นแล้วเป็นของที่น่าเกลียดเป็นของปฏิกูลยิ่งนะฉะนั้นกลิ่นของผมที่ถูกไฟไหม้อ๋อเหม็นไหมเห็นนั้นชัดเลยนะถ้าเราบอกเอ๊ะมันไม่เห็นมีกลิ่นเลยเอาผมเลยเอาไฟไปจุดดูแล้วก็ดูกลิ่นที่ไฟไหม้ออกมา ในตอนนี้อธิบายผมก่อนเอย่าเพิ่งะเลริญไปถึงแล้วมันไปไกลก็ได้อยู่ไม่ค่อยอยู่ในร่องในลอยของศางสตรพรศาสาดาเลยเพระพุทธเจ้าตรัสในสติปัฏฐานพระเจ้าตรัสเรื่องอะไรนกอะไรเนี่ยนกมูนไถ่เนาะเอมนกมูลไถนะ เ, เนี่ยมีปกติอยู่ว่าแม่ของแม่ของนอกมูนไถก็จะสอนลูกนกบอกลูกเอยเวลาหากินเนี่ยให้หากินอยู่ในร่องในรอย ก็คืออยู่หลบคอยหลบขี้ไถก็ว่ามันจะปลอดภนะัยเนาะอย่าขึ้นไปข้างบนนะตัวเขาเล็กใช่ไหมไอ้นกมูลไถตัวนี้ไ ม, ไม่ไม่เชื่อแล้วโดดขึ้นไปข้างบนเลยโดดขึ้นไปเหวามาก็เชียวปุ๊บจับบินขึ้นไปนกก็ร้องไห้ไอเ ย, ยวก็ถามร้องไห้ทำอะไรก็บอกเนี่ยพรไม่เชื่อพอ่อถามให้พ่อบอกไนงะพ่อบอกแม่ถ้อยู่ในขี้ไถ่แล้วไม่ไม่ คอยหลบอยู่ตามที่ไถเป็นต้นเหล่านี้ยจะไม่จะไม่โดนหรอกเพรานั้นจะเชื่อตรองนู้นถึงเชื่อพ่อแล้วก็จับท่านได้บอกอ้าลองปล่อยดูที่เล ย, ยปล่อยนกน ก, นกมูนถก็ไปไปยืนอยู่บนก้อนหินนั่นนะไอเหวี่ยวอยู่ไใ้กายก็เฉียวมาอย่างแรงมันก็เดินไปไปยืนหลอกอยู่พเอเหี่ยวเชียวมือกล้มันก็โดดหลบลงในก้อนที่ถ่าเดี๋ยวนั้นก็อกกระแทกก้อนหินตาย ี่ยการการอยู่ในในคําสอนเขาบอกพระพระพุทธเจ้าเขาสอนบอกว่าสาวกของพระ อ, องค์เนี่ยให้อยู่ในคําสอนเถอะพระเจ้าว่ายัางไงให้ว่าอย่างนั้นเดินตามเถอะจะปลอดภัยในสิ่งสิ่งพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าหากโดนออกจากคําสอนเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็โดนมารเฉี่ยวใหกินหมดเลยกนะ <c oughs> ิเลสมานบ้างขันธมานบ้งางมัจจุมานบ้างเทวปุตตมารบ้างอภิสังขารมาร ฉะนั้นิงของผมเนี่ยเป็นของปฏิกูลดังที่ได้กล่าวอย่างนั้นเน่ะผมทั้งหลายโดยสีโดยสันฐานจะไม่พึงไม่พึงปฏิกูลก็เป็นได้แต่ว่าโดยกลิ่นแล้วเนี่ยเป็นของปฏิกูลเลยทีเดียวอุปมาเหมือนก้อนอุจจาระของเด็กเล็กนะโดยสีก็เหมือนกระขมิ่นนะโดยสันฐานก็เหมือนกับแง่งแง่งของเธอขมิ่นแ่ะอุจจาระเด็กเล็กๆเนี่ยกว่า ง, งั้นดูเหมือนจะสวยอุปมาเหมือนกับแต่จริงๆถ้าโดยกลิ่นเนี่ยอุจจาระก็คืออุจจาระ มีเส้นผมก็เหมือนกันอาจจะดูอาจจะดูงามดูไรได้แต่ถ้ว่าโดยกลิ่นแล้วเหม็นเลี้ออกมาเหมือนกับซากสุนัขดำที่ตายขึ้นอืดแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งไว้ที่กองขยะโดยสีก็เหมือนกับผลตาลสุกว่าฮัโดยสันธานก็เหมือนกับตะโพนที่เขาปล่อยให้กลิ้งอยู่ที่บอกว่าเชี่ยวของมันก็มีสันธานเหมือนกับดอกมาลีตูมด้วยเหตุเนี้ย ทั้งอุจจาระเด็กแล้วก็ทราบสุนักดําโดยสีและสันธานจะไม่ปฏิกูลก็เป็นได้แต่ถ้าว่าโดยกลิ่นย่อมปฏิกูลโดยแท้ฉั้นใดแม้ผมก็ฉะนั้นโดยสีโดยสันธานไม่ปฏิกูลก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโดยกลิ่นแล้วเนี่ยเป็นปฏิกูลโดยแท้ดีเดียวเขาบอกโดยสีโดยสันธานอาจจะตกแต่งอาจจะอะไรต่างๆใช่ไหมได้ดนมองหลอกตาเนี่ได้อยู่โดยสีโดยสันธานเนี่ยแต่ถ้าโดยกลิ่นแล้วเนี่ยปฏิกูลโดยแท้ ปติกรูนเลยใอันหนึ่งผักที่สําหรับแกงเนี่ยอันเกิดขึ้นในที่โซลโคกด้วยน้ำคำั่มจะเห็นผักําลึงผักบุ้งอะไรต่างๆที่เขาปลูกไว้ใกล้ๆน้ำคำั่มหรือง่ายๆที่สุดก็คือที่เขาปลูกไว้ใกล้ๆส้วมอะงามมากใช่ไหมสวยไหมผักอนะงามสวยมากได้เลย เออไม่เป็นไรงานในเย็นบอลแม้ผมก็ฉันนั้นเหมือนการน่าเกลียดพราะเกิดด้วยน้ําที่ไหลออกมาจากปวทาระมีน้ําเหลืองมีน้ําเลือดปัสสาวะอุจละน้ําดีน้ํำเสลเป็นต้นใช่ไหมที่อยู่ในร่างกายเหล่าเนี้ยมันก็ไหลวนเวียนกันอยู่เนี่ยผมมันก็โดดซึมออกมาฉะนั้นก็โดดซึมมาของที่ไม่สะอาด ดังที่ได้กล่าวเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยอันหนึ่งง้นผมทั้งหลายนั้นเกิดในโกดธาสะเกิดในกองโกดธาสาสามสิบเอ็ดดุดผักที่ขึ้นในกองคูดกองอุจร่านี่เนาะมันจึงเป็นของน่าเกลียดยิ่งนะักเพราะเกิดในที่ที่ไม่สะอาดเหมือนผักที่เกิดในที่โสมลทั้งหลายมีที่ป่าช้าแล้วก็ที่เทขยะเป็นต้นนี่ก็เหมือนกับดอกไม้น้ํามีดอก บัวหลวงดอกบัวขาเป็นต้นเหล่านี้ที่เกิดในที่ไม่สะอาดทั้งหลายมีครูเมืองเป็นต้นก็แล้วเป็นของปฏิกูลโดยากาศแห่งผมทั้งหลายเช่นั้นตรงนี้ทา่านคยพิจารณาบอกว่าผักทั้งหลายที่เราไปปลูกไว้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ห ล, ล, ล, ลุมอุจจาระเนี่ยยังไงเวลามันดูดกินอาหารมันก็งามงามมากนั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วดูสวยนะผักทั้งหลายแล้วทําไมเขาเก็บผักเหล่านี้มาให้เราเนี่ยมาขายเราเนี่ยโอ้ยเรา ชื่นใจมากเราไม่รู้ที่ที่ทไปที่มาของเขาใช่ไหมทั้งนี้เหมือนกันแต่ผมทั้งหลายก็เหมือนกันคนบางคนผมสวยมากว่ากันนะผมสวยมากแต่อย่าไปมองเข้าไปข้างในนะถ้ามองไปข้างในว่าเออเนี่ยมันกินน้ําเลือดนะน้ําเหลืองแนะน้ำหนองน้ําดีน้ ำ, นำสเสเลต่างๆแบบนี้ยแล้วก็มีอุจจาระต่างๆปสัสสาวะต่างๆนี่ไหมน้ําปัสสาวะต่างๆเหล่านี้ยที่มันดูดซึมในกระาูกายเหล่าเนี้ยคือของไม่งามเนี่ย พโยขาวจรกำหนดปฏิกูลห้าอย่างโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่อาศัยโดยโอกาสแห่งโกดธาสะทั้งปวงดุดกำหนดความเป็นของปฏิกูลของผมทั้งหลายเช่นั้นแต่ว่าโดยลักษณะคือสีสันฐานทิศโอกาสปริเฉดก็ต้องกำหนดแยกกันทุกๆโกดธาสะเนะ่ยก็กำหนดแยกกันทุกๆโกดธาสะโดยสีโดยสันฐานโดยที่เกิดอะไต่างๆเนี่ยโดยโอกาสเหนะนี ก็กำหนดโดยสีสันฐานโดยทิศ โ, โดยโอกาสโดยปริเฉตก็ให้กำหนดในลักษณะอย่างนี้นั่นคือผมอภิการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของขนในเรื่องของขนเนะขนเนี่ยเขาเว้นที่ไหนในกรดฐานเนี่ยโลมาในขนทั้งหลายเนี่ ย, ข น, น ย, ข, นนยขนปกติแล้วมีประมาณ ประมาณกี่กี่ขุมเนี่ยในร่างกายเนี่ยหลุมหลุมที่เกิดข้องขนเนี่ยมีประมาณเก้าหมื่นขุมโดยสีนะปกติอ่ไม่ดำสนิทเหมือนผมแต่เป็นดำปนเหลืองนะโดยสันธานก็ปลายโค้งสันธานดังราดตาโดยทิศก็เกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสก็เว้นจาก โ, โอกาสที่ผมตั้งอยู่โดยหมายถึงฝ่ามือฝ่าเท้านั้นผมไม่เกิดเกิดขนเน่ยนะ เกิดอยู่ตามหนังหุ่มสรีระนอกนั้นโดยมากโดยตัดตอนก็คือเบื้องร่างก็ตัดตอนในพื้นรากของตนอย่างลงไปในหนังหุ่มสรีระประมาณลิกขาเนี่ยตั้งอยู่ลิกขาก็ประมาณอันไหนไข่เหาอะประมาณไข่เหาลิกขาลึกลงไปเนียมันฝังฝังอยู่ในหนังนะ ฝังลงไปเนี่ยนะตัดตอนด้วยอากาศเบื้องขวางตัดตอนด้วยเส้นขนข น, ขนาดการกําหนดตัดตอนด้วยขนสองเส้นไม่ไ ม, ไม่รวมอยู่ในเส้นเดียวนี้เป็นสภาข้าปริเชธะตัดตอนด้วยส่วนแห่งตนเป็นต้นโดวยวิสภาข้านนะตัดตอนด้วยส่วนที่ผิดกับตนขนก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ขนก็นให้กําหนดในลักษณะอนนีะ้นี่ขน ที่จริงตำราจะไม่ตรงกันเนาะบางแห่งจะบอกว่า9 9้าหมืนเก้าพันเส้นบางแห่งก็บอกเก้ามืนเส้นโดยสีไม่ดำสนิทเหมือนผมเป็นสีดำเป็นเหลืองโดยสันฐานปลายโค้งงอเหมือนรากตาเกิดในชิดทั้งโดยชิดก็เกิดในชิดทั้งสองเกิดเบื้องบนด้วยใช่ไหมเพราะเอาสะดือเป็นตัวตัวกลางเอาไว้เนี่ยข้างบนตั้งแต่จากเหนือสะดือขึ้นม า, า, าข้างล่างก็จากใต้สะดือลงไปเนี่ย นั้นเกิดในทิศทั้งสองเลยทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างโดโอกาศเว้นที่เกิดของผมคือฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วหนังหุ้มสรีระทั้งหมดเป็นที่ตั้งของขนทั้งสิ้นเลยโดยปริเฉทาก็คือว่าด้านล่างกําหนดด้วยรากขนในหนังหุ้มสรีละเท่ากับปลายเล็กเหล็กจานเนะี่ยปลายเหล็กจานเนะี่ยด้านบนก็กําหนดด้วยที่วางสุดปลายขนโดยรอบรก็กําหนดโดยเส้นขนโดยการเอง ในการกําหนดกระเส้นว่าเป็นขนเหมือนกันเรียกว่าสภาค้าปริเชษส่วนการกําหนดว่าขนไม่ใช่อาการสามสิบเอที่เหลืออาการสามสิบเที่เหลือไม่ใช่ขนอันนั้นเรียกว่าวิวิสภาคะนั้นวิธีพิจารณาก็ในลักษณะเดียวกันกับขนนั่นแหละกับผมนั่นแหละนะพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยโดยความปฏิกูลคือไม่งามไม่น่าชอบใจมีกลิ่นเหม็น แล้วก็เป็นที่อาศัยโดยความเป็นปัจจัยน่าานารังเกียจโดยที่ตั้งก็เป็นสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะก็ให้พิจารณาเช่นเดียวกันกับผมนั่นเองเพราะว่าในสรีระนี้ก็เต็มไปด้วยของไม่งามอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นขนที่เกิดในสรีระเก้า0เก้าพันเส้นเนี่ยที่มีอยู่ในสรีระในร่างกายนี้มันก็ดูดซึมดูดกินอาหารกินของที่ไม่สะอาดกินเลือดบ้างกินน้ำเหลืองบ้าง น้ำดีเป็นต้นในสรีระเนี่ยเอามาหล่อเลี้ยงใช่ไหมก็ทำให้ขนได้เกิดขึ้นมาก็ก็ไม่ปฏิกูลสีก็ไม่น่าปฏิก็ไูลไม่ไม่งะก็เป็นของปฏิกูลโดยสันฐานโดยสันธานก็เป็นของปฏิกูลนะโดยกลิ่นโดยสันธานี้ท่านบอกไม่งามขนก็ไม่งามแต่อาจจะเล็กหน่อยวนะ่าขนเนี่ยแล้วก็โดยโดยกลิ่นก็เหม็น แล้วโดยที่ตั้งก็ปฏิกูลเขาก็ตั้งอยู่ในสิ่งที่ปฏิคูลนี่แหละเห็นไหมแล้วอยู่ในทิศทั้งสองด้วยทั้งเบื้องบนก็มีเบื้องล่างก็มีก็ให้พิจารณาบอกว่าผมก็ไม่ใช่อาการสาเอดที่เหลืออาการสาสเอดที่เหลือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขนนี่นีก็ให้พิจารณาอย่างนั้นนั่นคือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของขนทั้งหลายประการต่อมาคือที่สามเดี๋ยวก็ให้วิจัยตามลําดับอีกเล็บเล็บมีกี่ใบเขาเรียกเป็นใบเรียกเป็นอันนี่ นักขาเล็บทั้งหลายเป็ชื่อของใบเล็บทั้งยี่สิบเล็บเนะโดยสีเป็นสีขาวปกติเป็นสีขาวแล็บโดยสันฐานเป็นเกล็ดเหมือนกับเกล็ดปลานั่นแหละสันฐานดังเกล็ดปลาเหมือนเกล็ดปลาก็พิจารณาเนะียโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองคือเล็บเท้าเกิดในทิศเบื้องล่างกับเล็บมือก็ทิศเบื้องบนรวมกันนะเล็บมือก็ถืออยู่ทิศที่เบื้องบนไปนะ้องยกขึ้นสูงได้นะ โดยอกาสก็ตั้งอยู่อยู่ที่ปลายนิ้วทั้งหลายโดโอกาสนี้นะตั้งอยู่ปลายนิ้วทั้งหลายจะตั้งอยู่หลังปลายนิ้วทั้งยี่สิบปริเฉทะด้านในกําหนดด้วยเนื้อหลังปลายนิ้วด้านนอกก็กําหนดด้วยการกําหนดที่ว่างด้านขวางก็กําหนดด้วยเล็บด้วยกันนั่นแหละการกําหนดเล็บแต่ละอันว่าเป็นเล็บเหมือนกันเรียกว่าสภาค้าปริเฉทะส่วนการกําหนดโดยเล็บไม่ใช่อาการซ้ำซึ่งเสีที่เหลือกันในลักษณะเดียวกัน ถามว่าแล็บนี่กําหนดในความเป็นของปฏิกูลไหมเป็นไม่เป็นสีปฏิกูลไหมงามไม่งามแล็บเล็บนี่สีงามหรือไม่งามดูน่าจะงามนะดูดูในความรู้สึกในงามเนะโดยสีโดยสันฐานน่ะน่าชอบใจไหม <c oughs> เอาแล้เลยเล็บนี่น่าชอบใจไหมโดยสันฐานเนี่ยโดยสันฐานเหมือนเกล็ดปลาน่าชอบใจไหมล่ะมือนเกล็ดปลาโดยสีปกติสีขาวโดยสันฐานก็เหมือนเกล็ดปลาใช่ไหม โดยทิศก็เกิดในทิศบึกทั้งสองเล็บเท้ากับเล็บมือเนี่ยเล็บเท้าเบื้องล่างเล็บมือก็อยู่เบื้องบนโดยโอกาสก็คือที่ตั้งของเ้าก็อยู่นั่แหละอยู่ปลายเล็บนี่นแหละปลายนิ้วทั้งยี่สิบมันมีนิ้วครบ ก, ก็มียี่สิบนะถ้าไม่ครบ ก, ก็ไม่ไม่มมมเนอา้าวเล็บนี่ดูนี่ว่าโดยสีขาวปฏิกูลไหมท้าดูไม่ปฏิกูลก็ดูเล็บเท้าไปก่อนเนะาะใหญ่ห้าขอาสีทานะ มันมนก็เอาเอาสีออกไปท้าหลอกตาเนาะแล้วก็ไปดูเฟรพิจารณาดูให้เห็นว่ามันปฏิกูลหรือเปล่าโดยสันฐานก็เหมือนเป็ดปลาโดยทิศโดยทีดดย่ดดดดดดตั้งโดยที่ตั้งเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ไหนปลายนิ้วยะไหมแล้วเขากินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมไอตัวแล็บเนี่ยเขาจะมีพวกเลือดพวกน้ำเหลืองพวกน้ำดีเป็นต้นเหล่านี้ยหล่อเลี้ยง เขาจะเริ่มเติบโตมาได้แต่โดยกลิ่นล่ะกลิ่นของแรบนี่หอมหรือเหม็นที่จริงเหม็นนะที่จริงแล้วกลิ่นก็เหม็นก็อย่างที่ยอมพูดเนี่ยเอาเผาไฟดูเลยใช่ไหมเหม็นมากใช่ไหมนั่นแหละชัดแล้วเนี่ยนี่ถึงแล้วถึงเลบแล้วตอนเนี้ยเหม็นจริงๆใช่ไหมยอมยืนยันเนาะน้องตัดเอาเผาไฟดูนะว่ากลิ่นก็เป็นยังไง ถ้ายาวมากก็ตัดตัดแล้วใส่ไฟเผาดูว่าจะเหม็นขนาดไหนไงโดยกลิ่นก็เหม็นจริงๆไม่ใช่หอมทีนี้ว่าเราดูอย่างนี้ดูจะหอมเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกระทุ้งออกมาเนะยจะหมกเราบางทีก็ยังว่ารับกลิ่นก็ไม่ได้ชัดแล้วอย่าแปลกใจนะทําไมเทวดาอยู่ห่างเราเป็นร้อยยอดนะ่ะฉะนั้นเทวดาไม่ค่อยปรารถนาที่อยู่ใกล้มนุษย์เลยเขาเหม็นเรามากก็เหม็นเนี่ยเหม็นผมเหม็นขนเหม็นเล็บเหม็นฟัน เมนเนื้อหนังเนื้อเขาเหม็นทั้งหมดอะทําไมนะฟังกันนะคือคือถ้าจะมาก็มากลิ่นศีลไปทวนลงนะเพราะเทวดาเขามาหาคุณเจ้าหาพระอรหันต์มาเสร็จท่านจะยืนฟังธรรมตักเสร็จท่านรีบกลับทันทีท่านไม่อยู่นานเลยเทวดาชั้นสูงสูงนะท่านท่านไม่อยู่นานเลย ถ้ามาตอนนั้นคือโมเพาตพระพุทธเจ้าสังเกตเทวดาจะไม่นั่งอ่ะเทวดามายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งไปดูในพระสูตรเนี่ยเทวดาสั่งยุดไปดูทุกสูตรยืนหมดเลยไม่ไม่มีนั่งไม่มีนั่งมายืนฟังธรรมยืนแบบเสร็จแต่พอฟังธรรมเสร็จพระุทธเจ้าพูดแสดงธรรมเร็วอยู่แล้วใช่ไหมก็เราพูดได้คำหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดได้ร้อยยี่สิบแปดคำอ่ะเร็วมากนั่นพระเจ้าแสดงธรรมจบพบทันใดบรรลุพบเลยทันรีบแล้ว กลับทันทีปเวียนประทัดสินหายอันตรธานหายเันวดีว่ากลับที่โยมตนไม่ปรารถนาจะมาเลยเพราะงั้นท่านเหม็นมากอันนั้นบอกบอกว่าผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทังผื่นไส้ใหญ่ไส้น้อยไม่ใช่เป็นกลิ่นหอมเลยเนะาะก็พิจารณาด้วยความเป็นปฏิกูลโดยสีเป็นต้นเหล่านี้ตามลาดับโดยสีโดยสันฐานโดยพิษโดยโอกาสโดยปริเฉต ล้วนแตเป็นของไม่งามไม่งามไม่น่าชอบใจมีกลิ่นเหม็นแล้วก็โดยอาศัยปัจจัยต่างๆเป็นไปเป็นที่ตั้งที่ตั้งกับปฏิกูลเช่นเล็บเนี่ยตั้งอยู่ในสิ่งที่ปฏิกูลอยู่แล้วตั้งในปลายนิ้วเนี่ยในปลายนิ้วก็เต็มไปด้วยเลือดเส้นเอ็นอะไรต่างๆอะไรนี่นะกระดูดของไม่สะอาดเข้ามาหล่อเลี้ยงเล็บอาภิการต่อไปก็คือเล็บยี่สิบอันเนียฟันฟันมีกี่เสี้ยน อย่านับตอนนี้นะบางคนก็บอกตอนนี้เหลือไม่ครบแล้วโดยโด ย, โดยฟันนี่สามสิบสองซี่นะสามสิบสองซี่ฟันทั้งหลายอ่ะกระดูกฟันเนี่ยสามสิบสองซี่ของผู้มีฟันเต็มแต่ของผู้จ้ามากกว่านี้แม้ฟันทั้งหลายถ่ยนะสีก็เป็นสีขาวโดยสันฐานก็ฟันเนี่ยนะสีขาวปกติสีขาวไม่ใช่เหลืองเหลืองนะั้นเป็นผิดปกติแล้วโดยสันฐาน แถวล่างเนี่ยนะแถวแถวล่างสี่ซี่ตรงกลางมีสันฐานดุดมเมล็ดน้ำเต้าที่ปักเรียงไว้กับก้อนดินเหนียวสองซี่ถัดไปข้างละซี่มีรากเดียวปลายเดียวสันฐานเหมือนดอกมะลิตูมถัดไปข้างละหนึ่งซี่มีรากอยู่สองรากปลายปลายก็สองด้วยกันนะมันจะเป็นแง่งอยู่แล้วก็มีสันฐานเหมือนไม้คำ้ำไม้ค้ำเกวียนเนี่ย ถัดไปข้างและสองซี่มีสามรากถ้าพวกหมอฟันนี่ยเขา 4, ราู้แล้วเป็นจริงๆแล้วก็ปลายก็สามเหมือนกันถัดไปก็ข้างล่างข้างและสองซี่มีสี่รากแล้วก็ปลายก็มีสี่แม้ฟันแถวบนก็เช่นเดียวกันนะเนี่ยฟันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมีหนึ่งรากบ้างสองรากบ้างสามรากบ้างสี่รากบ้างฟันเนี่ยนี่ะข้างบนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละโดยทิศก็เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาสก็ตั้งอยู่ที่กระดูกกรามทั้งสองอยู่กระดูกกรามเนี่ยโดยปริเฉดด้านล่างกําหนดด้วยรากฟันนั้นฝังอยู่ในกระดูกกรามด้านบนกําหนดด้วยที่ว่างด้านขวาก็กําหนดด้วยฟันด้วยกันเนี่ยนั้นการกําหนดฟันจัลลัสซี่ว่าฟันเนี่ยเหมือนกันเรียกว่าสภาธาปริเฉด ฟันที่ไม่ใช่อาการสางเศษที่เหลืออาการสางเศษทีเหลือก็ไม่ใช่ฟันนี้เรียกว่าวิสภาภาปริเชษะมีการกําหนดฟันนะกำหนดยังไงอีกกาหนดโดยสีโดยสันฐานเหมือนกันกําหนดโดยสีฟันสีอะไรนะสีขาวโดยสันฐานแล้วจะแถวไหนนะแถวไหนมีที่ตรงกลางมีสันผานเหมือนอะไรดูดมเมล็ดน้าเต้าที่ปากเลี้ยงไว้มือนก้อนดินเหนียวะ ถัดไปก็มีรากเดียวเป็นต้นเหล่าเนี้ยกัดสันฐานก็เหมือนกับบริเมลิโตมถัดอไปอีกสันฐานก็เหมือนไม้ค้าำเกวียนถัดไปอีกก็เหมือนกับไอ้ฟันแถวบนก็เช่นเดียวกันเนี่ยว่างั้นเด็กเกิดในทิศเบื้องบนโดยทิศโดยอากาศก็ตั้งอยู่ในกิริยาลัทธิสองโดยปริเขตก็ถือว่าฟันก็ไม่ใช่การสามสิบเอ็ดที่เหลือการสาสิบเอ็ดที่เหลือก็ไม่ใช่ฟันก็พิจารณาโดยสีว่าก็ปฏิกูลโดยสันฐานก็ไม่น่าชอบใจนะ นว่าโดยอาศยัยคือที่อาศัยโดยความเป็นปัจจัยน่ารังเกียจเพราะงั้นโดยโอกาสก็ที่ตั้งก็ปฏิคูณก็เป็นอย่างเงี้นะฟันฟันเป็นอย่างนี้ก็ก็พิจารณาอย่างนี้เขบอกว่าทีนี้มาดูในรายละเอียดก็คือว่าไอ้สันฐานเนี่ยดุดไม้ค้ำเกวียนเนี่ยไม้ไม้สองง่ามมาตั้งยันที่ทูเกวียนเขาว่าเคยเห็นไม้ค้ำเกวียนไหมไม้ค้ำเกวียนเนี่ยจะมีสามง่ามครับออย่างา ง, ง, าายยางั้นเลยแล้วก็ น, นั่นคือเกี่ยวในเรื่องของของฟันฟันสามจสามุดสองซี่ประการต่อไปคือหนังหนังนี่เยอะเลยเนี่ยแต่โจเนี่ยหนังเนี่ยหนังนี่โดยปกติเป็นสีขาวนะหนังเนี่ย น, น, นะจะเห็นได้ไื่อถูกไฟลวกผิวถลอกออกมาเนี่ยนะหนังลอกออกมาเนี่ยส่วนบนสีดำบ้างสีครามบ้างสีเหลืองบ้างเป็นต้นเนี่ยผิวหนังสส้น บึงหลุดออกมาจากสรีละแล้วมีขนาดก็เท่ากับเม็ดพุซาเนี่ยฉะนั้นในส่วนของหนังเนี่ยโดยทิสดารเนี่ยนะท่านกล่าวว่าซึ่งหากชักออกมาจากร่างกายจนสิ้นตั้นเป็นก้อนแล้วก็จะได้ประมาณเท่ากับเม็ดพุซาแต่แตาโจเนี่ยโดยสีก็มีสีขาวและมีความที่มันขาวนั้ น, นจะปรากฏตอนที่ผิวถลอกท่า น, นก็ไล่ไปตามลําดับเลยนะเนี้ยไล่ไปตามลําดับของหนังนี่นะ เนี่ยหนังอะไรบ้างล่ะโดยสันฐานเหมือนร่างกายส่วนที่หนังห่อหุ้มอยู่ก็ถือว่าหนังนิ้วเท้าเหมือนกระรังตัวไหมไอ้หนังนิ้วเท้าเหมือนรังตัวไหมก็เห็นรังไหมไหมจนวันนี้เหก็เห็นไหยรังไหมเนี่ไอ้คนเคยเย็บเคยไปเห็นเขาเลี้ยงไหมไหมนั่นแหละไอ้หนังนิ้วเท้าอ่ะถ้าถอดเอาหนังออกมามันจะเหมือนระรังตัวไหมนั่นแหละหนังนิ้วเท้านั่นแหละนั่นแหละหนังนิ้วเท้าหนังหลังเท้าล่ะ หนังเท้าเหมือนรองเท้าหุ้มส้นหนังหลังเท้าสันฐานนังรองเท้าหุ้มหลังเท้านั่นแหละหนังแข้งหนังแข้งก็สันฐานก็เหมือนใบตาลห่อข้าวหนังขาสันฐานเหมือนอะไรเองเหมือนถุงผ้ายาวบรรจุข้าวสารหนังสะโพกโอ้โหวิจัยหมดแล้วนี้เหมือนอะไรเหมือนผ้าตรองน้ําที่มีน้ําเต็มหนังสะโพกเนี่ยนะแล้วกันหนังหลัง ข้างหลังเนี่ยนะหนังแผ่นหลังเนี่ยก็สันฐานเหมือนกับแผ่นหนังหุ้มโลที่เขาหุ้มโลเขาไว้หนังท้องก็เหมือนกันสันฐานก็เหมือนหนังหุ้มรางพินก็ไปกําหนดเอาหนังท้องเนี่ยนะหนังอกสันฐานก็เหมนสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมากหนังแขนสันฐานก็เหมือนกันหนังหุ้มแร่งธนูไอแร่งธนูเนี่ยนะหนังมือ สันฐานก็เหมือนฝักมือหรือเหมือนถุงมือเลยหนังมือเนี่ยถอดออกมาได้เลยถ้าหากว่าตัดให้ดีๆก็ถอดออกมาเนี่ยนะหนังมือหนังนิ้วมือก็คล้ายๆว่าสันฐานก็คือฝักกุญแจเหมือนฝักกุญแจนั่นแหละหนังคอสันฐานก็เหมือนกับปกปกคอเสื้อปิดคอแต่เหมือนนันแหละหนังหน้ามีช่องเหมือนลังแตนหนังหน้า บางคนบอกแหมไม่ค่อยชอบหนังหน้าเลยว่าแั้นี้ทั้งเปลียนหน้าเน่เปลียนหน้าวันนี้อรพกเหมือนเหมือนลังแทนเนี่ยเหมือนหน้าก า, ก, ากเอาสวมเข้าไปแต่เป็นรูเนี่ยเป็นรูเป็นเหมือนลังแทนอะลังแทนเนี่ยห น, นันงศีรษะเหมือนถลกบาดเคยเคยเห็นถลกบาดไหมสะพาร์กไปปวดมาอีชาตเลยโอ้ยพอเด็กก็แกะถลกบาดออกใช่ไหมเอาบาดไปล้างก็ใส่ถลกบาดเข้าไใหม่เนี่ยเหมือนเหมือนหนังศีรษะเราดีๆอะไะ จะทําทุกวนันเดี๋ยวกะเนนพ็ฝึกนั่นแหละน่ยที่หุ้มบาดอยู่นั่นแหละถะลกบาดก็เลยทะลกบาดเนี่ยหนังศีรษะก็เหมือนถะลกบาดหมดเลยนะวิจัยอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาอีกแล้วตอนนี้ยไม่เป็นแล้วนะได้สะดวกง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าสันฐานของของหนังเนี่ยนะมันแล้วแต่ว่าเป็นสันฐานของอะไร ถ้าหากนิ้วเท้าก็เหมือนรังรังของตัวไหมถ้าหนังเท้าก็เหมือนกระรองเท้าหุ้มซนหนังแข้งก็เหมือนกับใบตาลห่อข้าวหนังขาก็เหมือนกับถุงยาวบรรจุข้าวสารหนังสะโพกก็เหมือนผืนกรองน้ําถ้าผืนผ้ากรองน้ําที่มีน้ําเต็มเน่ยหนังหลังก็เหมือนแผ่นหนังหุ้มโลกถ้าหนังท้องก็เหมือนหนังสันทานก็เหมือนหนังหุ้มรางพินถ้าหากหนังอกก็เหมือนสันทานที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้มากหนังแขนก็เหมือนกับหนังหุ้มแรล้งธนู หนังมือก็เหมือนกับฝักมือเหมือนกับถุงมือหนังนิ้วมือก็ฝักกุญแจหนังคอก็เหมือนปกคอหรือเสื้อปิดคอหนังหน้าก็หนังหน้าก็มีช่องเหมือนรังแตนหนังศรีรษะก็เหมือนถลกบาดโดยทิศก็เกิดในทิศทั้งสองโดยอากาศก็ตั้งอยู่คุมสรีระทั้งเส้นทั้งหมดเนี่ยนะโดยปริเฉตด้านล่างกําหนดด้วยเยื่อเส้นเอ็นกาหนดด้วยด้วยที่ว่างการกําหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาค้าปริเฉต ส่วนกําหนดโดยไม่ใช่อาการสามเดียดที่เหลือเขาเรียกวิสภาคะก็ไปพิจารณาเนี่ยหนังหนังเร่หุ้มสรีระทั้งหมดนี่นะเราจะกําหนดหนังอะไรดีเราเริ่มตั้งแต่นิ้วเท้าหนังเท้าหนังแข้งหนังขาหนังสะโพกหนังหลังหนังท้องหนังอกหนังแขนหนังมือหนังนิ้วมือหนังคอหนังหน้าแล้วก็หนังศีรษะก็ให้กําหนดอย่างนั้นเขากําหนดเป็นท่อนๆนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะ ก็ให้กำหนดพิจารณาอย่างนั้นว่าไม่งามเลยเป็นของปฏิกูลโดยแท้ที่การกาหนดแบางคนก็เด่นต่างกันนะบางคนกำหนดหนังนิ้วเท้าเด่นหนังเท้าหนังแข้งหนังขาหนังสะโพกหนังหลังหนังท้องหนังอกหนังแขนหนังมือหนังนิ้วมือหนังคอหนังหน้าหนังศีรษะกาหนดหนังหน้าเขแล้วอย่าอย่าหนังอะไรมากำหนดนะเอาหนังหน้ามากาหนดก็ได้ มองหน้าก็กําหนดหนังหน้าก็ไม่เป็นที่ตั้งใช่ไหมไม่เป็นที่นั่งที่ตั้งของกิเลสแล้วถ้าเรามองหน้าคนเดี๋ยนี้เราก็กําหนดถูกแล้วไหมโอ้หนังหน้าหนังหน้าคนเนี่ยเหมือนกระรางแตนนะเหมือนกระงแตนมีช่องช่องเป็นรูเป็นรูได้กำหนดเป็นอย่างๆเราดูอะไรกําหนดตรงนั้นเราดึงนิ้วเรามาดูก็กําหนดหนังนิ้วมือไงใช่ไหมหนังนิ้วมือก็กาหนดหลังนิ้วมือหนังนิ้วเท้าก็ก็กําหนดได้ทุกส่วน ใช่ไหมหนังแขงหนังหนังมือเนี่ยหรือหนังนิ้วมือเหมือนฝักกุญแจจริงนะเนี่ยเราก็ดูหนังนิ้วมือเหมือนฝักกุญแจใช่ไหมก็ดูดูจาวนิ้วมือใช่ไหมเหมือนฝักกุญแจเลยใช่ไหมหรือว่าเราหนังมือทั้งหมดก็เหมือนถุงมือเลยใช่ไหมก็เหมือนถุงมือนั้นเวลาเราเราเวลาเรามองคนเนี่ยมันจะแยกได้ต่อไปเนี่ยเราสามารถจะแยกหนังหน้าได้เรียกหนังท้องได้ไหมหนังขาหนังเท้าหนังแข้ง หนังสะโพกใช่มเขาก็จะแยกไปหมดเลยเลยดนี้แยกเป็นส่วนๆอุปมาเหมือนอะไรเราก็เข้าใจเลยเดี๋ยวนี้นะอุปมาเหมือนอะไรนี่เข้าใจหมดแล้วย้อนสมานเดี๋ยวนี้แต่จริงๆหนังหน้านี่เป็นรูจริงนะเป็นจริงนะหนังหน้าเนี่ ย, ยก็ตาไงใช่ไหมมีตามีจมูกมีปากนะไม่เหมือนลังแตนจริงเนาะแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นรูเต็มไปหมดเลยนะียยย่ไม่ที่ไม่ต้องขยายก็มีรูจมูกมีรูอะไรเยอะใช่ไหมใช่ เป็นนี่หน้าคุ้มหมดอยู่แล้วลราแกะออกมาจริงๆไม่น่าดูนะอย่างกระถอดหน้ากากออกมาเลยนะเหมือนลังแตนเลยอ่ะสภาวะคือส่วนที่มันเหมือนกันไงเป็นหนังเหมือนกันวิสภาพะคส่วนที่มันต่างกันเช่นหนังก็ไม่ใช่ผมหนังก็ไม่ใช่ขนหนังก็ไม่ใช่เล็บหนังก็ไม่ใช่ฟันเนี่ยหนังก็ไม่ใช่เนื้อหนังก็ไม่ใช่เอ็นหนังก็ไม่ใช่กระดูกหนังก็ไม่ใช่เยื่อในกระดูกก็ไล่ไปยังเี่ยวิสภาวะสิ่งที่มันต่างกัน อย่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นวิสภาคะผู้ชายต่บผู้ชายเขาเรียกวเป็นสภาฆะผู้หญิงก่อผู้หญิงเป็นสภาคะต่างกันใช่ผมกับขนก็เป็นวิสภาฆะกันผมกับขนเนี่ยฮมันไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ใช่เหมือ น, นเล็ ก, กับฟันเนี่ยเป็นวิสภาคะแต่ฟันต่อฟันเนี่ยเป็นสภาคะใช่ไหมเป็นสภาคะกันเอาต่อไป เ, เกิดทีเลสไหมเกิดโลภาบ้างไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้โลภาจะเกิดไหมไม่เกิด กลัวโทสะจะเกิดหรอพิจารณาไปเลยกลัวตัวเองเลยเราเยอะโทสะเกิดนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะพอ <c oughs> ไปดูกระจกตอนนี้เอาหนังหน้าเหมือนลังแตนขึ้นมาโอโ้ยุ่งเลยนึงเอาไปดูจะดูมือดูแขนดูแข้งดูขาเหมือนอุปมาหมดเลย น, <c oughs> นิ้วเท้าก็เหมือนกนอะไรเหมือนกำลังตัวไหมพอดูนิ้วเทาว้าแต่ละนิ้ววันี้จะตัดเล็บไปดูนิ้วเท้าเนี่ยอ้าวเหมือนลังตัวไหมก็โผลดขึ้นมาเนี่ <c oughs> โอ้โหเกิดปฏิกูลขึ้นมาอีกแล้ว พอจะตัดเล็บมือขึ้นมาเอา้าเหมือนเหมือนอะไรพวงกุญแจมันปลักกุญแจอยู่ะต่อไปก็คืออะไรต่อไปจากหนังและอะไรเนี่ยต่อไปก็วิธีกําหนดหนังก่อนเนาะถโยคาวจรกําหนดเอาหนังมาเป็นอารมณ์ก็สรงยาณคือปัญญานะปัญญามุ่งขึ้นเบื้องบนแห่งสรีระจับตั้งแต่ริมปีปากบนนะกําหนดหนังที่หุ้มอยู่โดยรอบปากเป็นลําดับแรกแต่นั้นก็ค่อยกําหนดหนังหุ้มกระดูกหน้าผาก ต่อจากนั้นก็ส่งญาณคือปัญญาไปในระหว่างกระโหลกศรีรษะแล้วก็หนังหุ่มศรีรษะดุดสอดมือเข้าไปในระหว่างแห่งบาด ท, ที่สวมถลกเช่นนั้นว่างั้นพิจารณาหูพิจารณาจะทะลุทะลวงหมดเลยนะแล้วก็แยกความที่หนังเนื่องเป็นอันเดียวกันกับกระดูกกระดูกนะออกกําหนดแต่ศี ร, รษะแล้วต่อจากนั้นก็กําหนดหนังคอ แล้วก็กําหนดหนังมือขวาทั้งอนุโลมและปฏิโลมทั้งขึ้นทั้งลงแล้วก็กําหนดเอาหนังมือซ้ายโดยในเดียวกันนั้นต่อจากนั้นก็กําหนดเอาหนังหลังต่อจากกําหนดหนังหลังแล้วกาหนดเอาหนังเท้าขวาทั้งอนุโลมและปฏิโลมทนแล้ว <mel> ก็กําหนดเอาเท้าซ้ายเช่นเดียวกันนั้นต่อจากนั LAUGHING ้นก็กําหนดหนังท้องน้อยนังท้องน้อยหนังทรวงอกหนังคอโดยลําดับแล้วก็กําหนดใต้คาง ถัดจากใต้คางลงมาจนถึงริมผีวปากล่างเป็นที่สุดเมื่อพระโยขาวจรพิจารณาหนังห ย, ยาบๆอย่างนี้ยแม้หนังที่ละเอียดก็ย่อมจะปรากฏให้ให้พิจารณาอย่างนั้นแล้วทํางเป็นอย่างนั้นไปและนะ้วนแล้วนี่เราอยู่กับอะไรอย่างเนี้ศพยังเดินได้อยู่นะโดยทิศก็เกิดในทิศทั้งสองโดยโอากาศ ก, ก็หุ้มร่างกายทั้งสิ้นอยู่โดยตัดตอนก็คือเบื้องร่างก็กําหนดด้วยพื้นท้าที่มันตั้งอยู่แล้วก็มีพังผืดรองขั้นอยู่ ระหว่างหนังกับเนื้อเบื้องบนกําหนดตัดด้วยอากาศนี้เป็นสภาค่าปริเจเ ท, ทส่วนวิสภาค่าก็เช่นเดียวกันกับผมนะียวิสภาค่าก็กําหนดโดยการที่ว่าโดยการสามสิบเอที่เหลือมีวิธีการกําหนดท่างให้กําหนดอย่างนี้พอจะจับประเด็นได้ไหมยอดสมานกาหนดยังไงเบื้องต้นให้กาหนดหนังอะไรก่อนกําหนดหนังเป็นลมส่งยานไปเบื้องบนก่อนนะที่สรีระจับตั้งแต่ริมที่ปากบนกําหนดหนังที่หุ้มอยู่รอบ ล่อปากเป็นอันดับแรกมีกําหนดหนังล่อปากเนะี่ยล่อปากลาดับแรกแต่จากนั้นก็ท่งยาน้าไปถึงหนังหุ้มกระดูกกระดูกหน้าผากนะพิจารณาไล่กันไปถึงกระดูกหน้าผากกระส่งยางหรือปัญญาไปในระหว่างกะโหลกศีรษะในที่หนังหุ้มหุ้มกระโหลกศีรษะอยู่เหมือนเอามือสอดเข้าไปข้างในเนาะสอดเข้าไปอ่ะเอามื อ, อเข้าไปในระหว่างแห่งบาทที่ทะลุเหมือนสอดเข้าไปแล้วก็กดเหมือนเปิดออกเปิดเข้าได้เง่้ยนั้น แล้วก็แยกความที่หนังเนื่องโดยเป็นอันเดียวกันกับกระดูกออกมาแล้วกําหนดแต่ศีรษะต่อจากนั้นก็กำหนดหนังคอกําหนดหนังมือขวาเป็นต้นทั้งอนุโลมปฏิโลมกันไล่ไปตามลําดับเนาะหนังนิ้วเท้าที่จริงก็คือกระดูกคอกระดูกเสลี่สีสระกระดูกหนังหน้าหนังนิ้วมือหนังแขนหนังอกหนังท้องหนังหลังหนังสะโพกหนังขาหนังแข้งหนังเท้าหนังนิ้วมือเนี่ยก็กําหนดไปตามลําดับเลยเนี่ยนี่หนังจบ เดี๋ยวต่อไปขึ้นมังสังขึ้นเนื้อเนื้อมีกี่ชิ้นเนื้อมีอยู่เก้าร้อยชิ้นเนื้อนี่นะมีเก้าร้อยชิ้นเอาแล้วเข้าหาเนื้ออีกแล้วแต่เนี้อเราจะกินเนื้อได้หรือเปล่าไม่รู้พวกนี้เนื้อเนี่ยนะทั้งปวงโดยสีสีแดงเช่นเดียวกับดอกทองกาวกิ่งสูงโกก็เป็นดอกทองกวอ่ะหรือทองธรรมชาติไอ้ทองกาวทองธรรมชาติเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะถึงขนาดใหญ่ใบดอกหนาทึบ ก้านหนึ่งมีใบย่อยอยู่สามใบคล้ายกระท้องหลังอ่ะใบก็มนเนะดอกมันสีดอกคล้ายดอกแคออกดอกเวลาผัดใบดอกสามารถรับประทานได้เพราะงั้นโดยสันถานเนื้อเนี่ยนะเนื้อปรีแข่งเนื้อปลีแข่งสันถานดังข้าวเหมือนอะไรเหมือนข้าวห่อด้วยใบตาลไอเนื้อปรีแข่ ง, งข เ, หออเหมือนข้าวหอ่อใบาตาลเนื้อปลนะีแข่งนะเนื้อหลัง สันฐานเหมือนแผ่นน้ำตาลน้ำตาลงบเนื้อหลังเนี่ยเหมือนแผ่นน้ำตาลงบโอ้โหอย่างนั้นเลยนะเนื้อปลีแข่งเนื้อเนื้อเนื้อสีข้างอะไรเหมือนอะไรเนี่ยเนื้อสีข้างจริงๆตรงนี้เขาอาจจะเรียงลําดับไปคนละอย่างกันก็ได้นะเนื้อปลีแข่งสันฐานดังข้าวห่อใบตานเนื้อขาก็สันฐานลูกหินบด เนื้อสะโพกสันฐานเหมือนกับก้อนเสาก้อนเ้าที่เตาไฟก้อนดินหรือก้อนหินในก้อนอิดเนี่ยเอามาทําเป็นก้อนสามเ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนื้อแล้วก็เนื้อหลังสันฐานดังแผ่นตางโบน้ําตาลที่เขาเคี่ยวจนข้นทําเป็นในแผ่นนะกรอบแบนๆติดกันที่เราใช้เราไปซื้อกินกันะเนื้อสี่ข้างทั้งสองสันฐานดังดินไล้บางๆ ตามที่ท้องที่เขาฉที่ลงเก็บข้าวนั่นแหละเนื้อเนื้อฐานเนื้อเนื้ อ, อสันทรยเนี่ยเหมือนกับดินที่เขาผูกเขาไว้จวมันคล้อยลงมาอันคือหน้าอก น, เนยเนื้อแขนทั้งสองเหมือนหนูตัวใหญ่ที่ถูกฉลกหนังโอ้โหผลไม้เกลียดจังเนี่ยแล้วก็ เหมือนหนูตัวใหญ่ถูกถลกหนังที่ก็ตั้งไว้ทําเป็นสองชั้นโดยสรุปตรงนี้ก็คืออย่างนี้อเนื้อนี่นะโดยสันฐานเนื้อปรีแข้งก็เหมือนกับข้าวห่อใบตานเนื้อหลังก็เหมือนแผ่นตานงบเนื้อสีข้างทั้งสองก็เหมือนแผ่นดินเหนียวฉาบบางๆที่ฝาผนังที่ยุ้งข้าวเนื้อถันทั้งสองหน้าอกเนี่ยนะเหมือนก้อนดินเหนียวที่ห้อยเข้าไว้เหมือนก้อนดินเหนียวม้วนโอ้โห <c oughs> แล้วก็เนื้อแขนทั้งสองก็เหมือนหนูตัวใหญ่ที่ถูกถลกหนัง <c oughs> <l ug> แล้วทําไงโยนมีพิจารณาอย่างนี้แปลกใจไหมว่าทําไมพระในสมัยก่อนท่นถึงได้บรรลุไม่แปลกใจเนาะอย่าไปแปลกใจว่าทำไมพระสมัยก่อนหรือว่าบุคคลที่เขาใข้ควรพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าแล้วท่านไาด้แทงตลอดอริยะศัตร์ พราะมันไม่เป็นที่ตั้งของตัญหาได้เลยอ่ะนะท่านพิจาจรณาแล้วแล้วเล่าเล่าใครควรจนชำนิชำนาญท่านไม่ต้องมากลางทำลายมองปุ๊บนี่เข้าอยู่ในอัธยาศัยของท่านเลยเห็นปุ๊บเข้ามาในในมโนภาพเลยเห็นชัดทั้งอุปมาอุปไมเลยแทงตลอดเลยอ่ะใช่ภาพปรากฏ เพราะว่าท่านฟังครั้งเดียว้ว จ, จาได้แม่นทั้งอุปมาอุปไมจ า, มาได้หมดชัดแล้วสามารถไปต่อยอดไปใข้ควรในพิจารณาใข้ควรทั้งอนุโลมปฏิโลมได้พิจารณาแล้วแล้วเราเล่าได้ไม่แปลกใจแล้ว นี่คือเนื้อเนี่ยการกำหนดเนี่ยนะการกำหนดนะที่บอกว่าพระโยคะวจรกำหนดเนื้อหยาบหยาบอย่างนี้แม้เนื้อที่ละเอียดก็จะปรากฏโดยทิศก็เกิดในทิศทั้งสองโดยอากาศมันก็โอบอยู่ตามกระดูกใช่ไหมฉะนั้นเนื้อเก้าร้อยชิ้นเนี่ยมันโอบติดอยู่กับกระดูกสามร้อยท่อนโดยตัดตอนก็คือเบื้องร่างก็กำหนดในพื้นที่ตั้งเหงที่โค้โครงกระดูกเบื้องบนก็กำหนดด้วยหนังเบื้องขวาก็กำหนดด้วยเนื้อ เดียวกันนี่เป็นสภาค้าริเชษธาส่วนวิสภาค้าก็เช่นเดียวกับผมดังที่ได้กล่าวฉะนั้นเมื่อพระโยข่าวาจรกาหนดพิจารณาอย่างนี้ว่าอุ้เนื้อก้าวร้อยชิ้นเนี่ยมันก็อบอะไรอยู่นะเนี่ยมันก็อบ ก, กระดูกนะกระดูกนีอยู่สามร้อยท่อนแต่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเยอะใช่ไหมที่เราว่ามาตามลำดับนี่ก็จะเป็นอย่างเนี้ยเนื้อก้าวร้อยชิ้นกระดูกสามร้อยท่อนไอตัวเนื้อเนี่ยมันอบอะไรอยู่อบกระดูกกระดูกสามร้อยท่อนเอาพิจารณาอย่างเนี้ย นี่คือเนื้อประการที่เจ็ดก็คือพิจารณาเอ็คําว่าณ ห, หารูนี่เอ็ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเอ็ทั้งหลายเนี่ยเอ็นเนี่ยมีหรือเส้นเนี่ยเป็นโลกปวดเส้นปวดเอ็กันเนี่ยเราดูหน่อยที่ว่าเป็นยังไงเนาะว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเดี๋ยวนี้เขาไปเรียนเรื่องเส้นกันเขาไปเรียนในความเป็นของปฏิกูลมาพิจารณาให้เห็นด้วยความเป็นของไม่งามเป็นต้นนะแต่เขาไปเรียนเขาไปบีบเส้นบีบเอ็กัน <laughs> เมื่ อ, อยว่ามันะกระปายกันแล้วตดีนี้ เส้นหรือเอนมีทั้งหมดเก้าร้อยเส้นโดยสีเอ็นสีขาวโดยสันฐานในเอ็นทั้งหลายเป็นเอ็นใหญ่ที่รึงรัดสลีระตั้งแต่ส่วนบนแห่งคอนะแล้วก็ย่างลงไปถึงข้างล่างมีอยู่ห้าเส้นข้างหลังก็มีอยู่ห้าเส้นข้างขวาก็ห้าเส้นซ้ายก็ห้าเส้นแม้ที่รึงรัดมือขวาแล้วก็ ข้างหน้ามืออีกห้าเส้นข้างหลังมืออีกห้าเส้นที่รึงรัดมือซ้ายก็อย่างนั้นได้ที่รึงรัดเท้าขวาข้างหน้าเท้าก็ข้างหน้าก็ห้าเส้นข้างหลังก็ห้าเส้นที่รึงรัดเท้าซ้ายก็เหมือนกัน <S 2> <S 2> เอ็นใหญ่เนอะเอ็นใหญ่หกสิบเส้นอันได้ชื่อว่าสรีระธารกาเนี่ยเอ็นที่ทำดำรงร่างเขาไว้คือว่าดำรง ร, างงรง่างรึงรัดร่างเขาไว้รึงรัดร่างกายอย่างลงไปตลอดร่าง ที่ท่านเรียกว่ากันาการกันธราเนี่ยเอ็นรากเง่าบ้างเอ็นเหล่านั้นทั้งกวงมีสันผานดังต้นค้าคล้ายๆเป็นต้นค้าอ่อนๆน่ะมีดอกสีขาวอ่ะถ้าอยู่บ้านนอกก็จะรู้ต้นตาบแห้งทําเป็นเสือได้ต้นค้านี่นะส่วนเอ็นอืนอ่นๆแพ่ปกคุมหนังแห่งร่างกายนั้นนั้นอยู่เอ็นที่เล็กกว่าเส้นสรีะระธารการนั้นเขาเรียกสันผานดังเชือกได้ไม่ยังมี เล็กๆอีกนะจากเอใหญ่แล้วยังมเอน้อยเอ็เล็กๆเนี่ยเส้นเล็กๆเหมือนเส้นได้อีกนะเออื่นๆที่เล็กกว่านั้นสันฐาน น, น, านังเถากระพังโหมไอเถากระพังโหมเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหมือนไม้เถาเรียกว่าต้นต้นอะไรอไอใบเรียวเล็กๆน่ะชิมเม้นคินเม้นๆๆๆนะ่ะไอที่ว่าอยู่ตามทุ่งนาใช่ไหมเกยเห็นไหมอ๋อดอกอ๋อดอกเม้นเมน่ะเหมือนเครื่อ น, น, นั้นเน่ะ ดมแล้เหม็นใช่ไมถ้าเราอยู่ตามน้าก็เห็นใช่ไหมนั่นแหละเอ็นอื่นที่เล็กกว่านั้นก็สันฐานเหมือนกัสายพิมพ์เอ็นอื่นสันฐานดังเส้นได้อ้วนๆแล้วก็เอ็นที่หลังมือและทาก็สันฐานเหมือนกับดังตีนนกเอ็นที่ศีรษะสันฐานดังข่ายคุมศีรษะทารกเนี N ่ยเอ็นที่หลังก็สันฐานดังอ้วนเปียกที่เขาแผ่ไว้ในแดดก็คือหมายถึงว่เาเอาตากแดดเขว้เป็นอ้วนเนี่ย เอ็นอันแล่นไปตามคาประย์น้อยใหญ่นี่นะใหญ่ใหญ่ที่เหลือจากที่กล่าวมาแล้วมีสันฐานนังเสือ้อร่างแหีที่สวมร่างกายเข้าไว้อันนั้นคือเกี่ยวในเรื่องของเอ็นโดยสรุปตรงนี้ก่อนนะนารูเนี่ยเอ็นเนี่ยเอ็นใหญ่ที่รึงรัดตั้งแต่ช่วงบนคอถึงหน้าอกห้าเส้นแผ่นหลังห้าเส้นข้างขวาห้าเส้นข้างซ้ายห้าเส้น เส้นเอ็นใหญ่ที่รึงรัดมือขวามือซ้ายขวาแล้วก็ข้างละเส้นเหมือนกันหลังก็หลังก็ห้าเส้นเส้นเอ็นใหญ่ที่รึงรัดเท้าซ้ายขวาหน้าเท้าและข้างหลังก็อย่างละห้าเส้นหลังเท้าข้างละห้าเส้นรวมเป็นหกสิบเส้นหลักเนี้ยนะมีสันฐานเหมือนกับเหง้าต้นค้าอ่อนเส้นเอ็นที่เล็กกว่าเนี้รัดอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนเชือกกล้วยแล้วก็เอ็นเล็กกว่าเนี้ยเหมือนกับเทากระพังโหม เอ็นที่เล็กว่า น, นี้ก็เหมือนกระสายพินเอนที่เล็กว่า น, นี้ก็เหมือนเส้นได้เอนที่หลังมือและท้าก็เหมือนจะตีนนกเอนที่ศีรษะก็เหมือนกระหมวกถักคุมศริตสีษะเด็กเอนที่หลังก็เหมือนอวนที่ผึ่งแดดเขไว้เอนที่เหลือคุมตามอวัยวะน้อยใหญ่เหมือนเสื้อถักไหมพรมโดยทิศเรเกิดตรงไหนเกิดในทิศทั้งสองทั้งเบื้องบนเบื้องล่างโดยกาดเขายึดอะไรไว้เอ็นเนี่ย เขาก็ตั้งยึดกระดูกกระดูกไว้ทั้งเส้นแล้วก็โดยปริเฉทะด้านล่างกําหนดได้ปลายที่ลักติดกระดูกสามร้อยท่อนด้านบนก็กําหนดเอาปลายที่จดติดเนื้อและหนังโดยรอบก็กําหนดโดยเส้นเอ็นเดียวกันนั้นการกําหนดเช่นนี้เรียกว่าสภาค้าปริเฉิส่วนการกําหนดว่าเส้นเอ็นไม่ใช่การสามเสตที่อื่นวาการสามเสตเสืไม่ใช่เอ็นก็เป็นวิสภาคะนี่ก็เป็นอย่างนี้นี่คือเอ็นเอ็นนี้กําหนดยากหน่อยนะ จากไหมเนี่ยมองไม่ค่อยชัดเนะี่ยอะถ้าไม่ค่อยชัดเอากระดูกสามร้อยท่อนดีกว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะเอ น, นี้อาจจะเล็กเอากระดูกอัฐิใครชอบกินกระดูกหมูบ้างชอบกระดูกหมูเนี่ยใบทองบาลีอัฐิอัฐิอัฐิกระดูกทั้งหลายเนี่ยเนะี่ยกระดูกมีทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยท่อนนะฟันนี้จัดว่าเป็นกระดูกไม่ชัดอาสองเสี้ยอันนี้เว้นไปนะเพราะฟันพิจารณาไปแล้ว เว้นฟันสามจุดสองซี่ที่เหลือสามรอยท่อนนี่นะสามร้อยชิ้นเว้นกระดูกฟันอ่าตอนนี้ก็ดูเนาะดูกระดูกกระดูกมือสองข้างมีกี่ท่อนเนี่ยหกสิบสี่ท่อนมีกระดูกมือมีหกสิบสี่ท่อ น, น, อนกระดูกเท้าสองข้างก็หกสิบสี่ท่อนกระดูกอ่อนติดมือก็หกสิบสี่ท่อนกระดูกส้นเท้าสองข้างก็สองท่อนนะนะกระดูกข้อเท้าสองข้างสองท่อน กระดูกแข่งสองข้างสองท่อนกระดูกเข่าสองข้างสองท่อนกระดูกขาสองข้างสองท่อนกระดูกเสื่อสองข้างก็สองท่อนกระดูกสันหลังสิบแปดท่อนนี่สําคัญมากนักนั่งกรรมฐานนี่ต้องรู้จักกระดูกสันหลังสิบปดท่อนนับตั้งแต่ไหนสิบแปดเนี่ยนับตั้งแต่เกือบจะติดคองไปนะเบอรไปถึงตัวเนี้ย อ, อนี่แหละคนกดฮะ น, นับพอสิบแปดท่ อ, ทอนก็เวะลานั่งเนี่ยนะอุชุมกายยังอ่ะ ตั้งกายตรงดํารงสติไว้อ่ะที่เจรนานาปานาสติเนี่ยกาบอกให้กระดูกสันหลังสิบแปดท่อนจะรอดกันจรอดกันแล้วให้ตรงนั่งแบบนั้นแล้วจะไม่ทําให้เกิดทุกขเวทนาคือคือจะนั่งได้นานเนี่ยนะก็คือให้นั่งให้หลังตรงอ่ะอย่าไปนั่งห ย, ยิ่งองอเพราะกระดูกสันหลังสิบแปกระดูกสิบเอดสิบแปดข้อเนี่ยไม่ไม่ไม่ตั้งตรงงั้นกระดูกสันหลังสิบแปดท่อนต้องให้จรอดกันนะให้พอเหมาะแล้วจะนั่งได้นาน ถ้าไปข้างหน้ามากก็จะไม่ค่อยดีหรือโยกไปข้างหลังก็จะไม่ไม่นั่งให้ตรงนั่งให้ตรงแล้วก็กระดูกที่โครงสองข้างก็มียี่สิบสี่ท่อนกระดูกหน้าอกมีสิบสี่ท่อนกระดูกใกล้หัวใจหนึ่งท่อนกระดูกหาปลาก็สองสองท่อนเนี่ยกระดูกสะบักสองท่อนกระดูกแขนท่อนบนสองข้างก็สองท่อนกระดูกแขนท่อนล่างก็สองข้างนี่นะสี่ท่อน กระดูกคอมีเท่าไหร่อ่อะเจ็ดเล่อ่านี่ก็เจดท่อนเหมือนกันเนี่ยเจ็ดท่อนแล้วกระดูกคางกระดูกคางเท่าไหร่สองท่อนนะกระดูกจมูกหนึ่งท่อนแล้วกระดูกเบ้าตามีสองนะกระดูกหูมีสองกระดูกหน้าผากหนึ่งท่อนกระดูกกระหมอมก็หนึ่งท่อนกระดูกกระโหลกศีรษะมีเท่าไหร่นะของหมอมีเท่าไหร่มีเก้าท่อนมีเก้าท่อนกระดูกทั้งหมดนี้มีสีขาวนเหมนกั กรดูทั้งหมดสีขาวอ่าต่อไปท่านให้กําหนดอย่างนี้กําหนดสันธานเนาะต่อไปกําหนดสันธานก็คือกระดูกนิ้วเท้าท่อนปลายเหมือนกับเล็กบัวกระดูกนิ้วเท้าท่อนกลางก็เหมือนกับสายพินนิ้วเท้าท่อนโคนก็เหมือนกับบันดอเล็กไม่รู้เป็นไงบันดอเล็กเป็นไงเนี่ยแล้วดูก่อนดูสันธารนะดูสันฐานดูสันฐานนี้กระดูกดูสันธานท้องกระดูกนะว่าว่าโดยว่าโดยสีว่าโดยสันฐาน เดี๋ย ว, ว่าโดยสันฐานนะกระดูกนิ้วเท้าอโดยสันฐานก่อนนะกระดูกนิ้วเท้าเนี่ยข้อปลายเหมือนสันฐานดังเล็ดบัวกระดูกข้อกลางถัดจากปลายเท้าก็มาสันฐานดังเล็ดขนุนกระดูกข้อโคนสันฐานดังบันดอกบันดอกอ๋อเข้าใจแล้วกรองเป็นกรองกรองสองหน้าของทามใช้แหวงเน่ะใช้ลูกทุ่งแหวงเน่ะเน่ยเหมือนบรนดอกตรงนั้น เ, เ ห, นหมือนกรองเข้าใจไหม ในงานราชพิธีอ่ะก็จะมีไอ้ ก, กรองเวียงนั่นแหละเวียงซึ่งไอ้เวียงเวียงแล้วนั่นแหละเขาจะของเ้าจะลูกต้มที่ติดอยู่กับตัวกลองไปกระทบเ่ยกระดูกหลังเท้าสันฐานดังหัวค้าที่ถูกทุบค้าเนี่ยเป็นไม้เจ้าพวกขาเนี่ยกระดูกส้นเท้าสันฐานเหมือนเจ้าตาลลอนเดียวเหมือนเจ้าตาลเนยสิ่งที่งอกอยู่ในในผลตาลเนี่ยเขาเรียกจ้าตาล เราชอบกินกันนะแบบเนี้เนะี่ยกระดูกข้อเท้าสันฐานมันลูกลูกลูกสบ้าประกอบกันลูกสบ้านี่รู้คนรุ่กกนก่อนๆนี่ชอบเล่นเล่นกันนะช่วงสงการใช่ไหมเล่นลูกสบ้ากันเนะี่ยแล้วก็กระดูกแข้งตรงที่ตั้งจรติกับกระดูกข้อเท้าสันฐานดังหน่หน่อเป้งที่ปอกเกลือกก็คือต้นคล้ายกระหมากเนี่ยเป้งเนี่ยมีหนามตามการขึ้นตามชายทะเล กระดูกกระดูกแข้งท่อนล่างกรสันฐานดังคันธนูกระดูกแข้งท่อนใหญ่สันฐานดังลังงูที่เหี่ยวแห้ง่ะกระดูกเข่าสันฐานดังต่อมน้ําที่ที่เวี่ยงไปข้างหนึ่งต่อมน้ําก็คือฟองน้ําที่ผุดขึ้นฟองที่เกิดจากน้ําที่ตกมาจากพื้นน้ำกระดูกแข้งตรงที่ตั้งจรดกระดูกเข่านั้นสันฐานก็เหมือนกับเขาโคบายทู่กระดูกขาสันฐานดังด้ามพรา หรือว่าด้านขวานที่เขาถักแต่งหยาบๆอันนี้ก็คือขวานกระดูกขาตรงที่ตั้งจรดกระดูกเซลล์สันฐานทังรูปเชือบกระดูกเซลล์ตรงที่ตั้งจรดกับกระดูกขาสันฐานก็เหมือนผลมะง่วใหญ่ปลายปากมะงวมะง่งูคืออะไรมะ ง, ว น, มงวนี่มะงวนี่คืออะไรเขาบอกว่าเป็นพืชพวกส้มโอหรือมะกรูดนะคล้ายคลึงกันผลคล้ายส้มโอแต่เล็กกว่าพราะงั้นน้ำในผลก็มีรสเปรี้ยวจัด ขายน้ําผลมะกรูดมะงัูคล้ายๆกันเงี้ยจะไม่เคยเห็นนะเคยเห็นไหมโยะมะงัวเปน็นไงกระดูกเสีเอวสองชิ้นนะที่ติดที่ติดเนื่องเป็นอันเดียวกับสันฐานดังดังเตาของช่างหมอกระดูกเสีเอวก็แยกกันออกแต่ละชิ้นสันฐานก็เหมือนกับคีมของนายช่างกระดูกตะโคกตอนตายสันฐานดังลังผ่านหมูที่เขาจับความหน้าลงอะมีช่องน้อยใหญ่เจ็ดถึแงแปดแห่ง กระดูกสันหลังข้างในสันฐานดังห่วงแผ่นตะกัวที่ก็วางซ้อนๆกันเข้าไว้กระดูกสันหลังนอกสันฐานดังสายรูปประคำในระหว่างเนยกระดูกสันหลังเหล่านั้นมีเดือยอยู่สองถึงสามซี่เหมือนกับฟันเลยให้เข้าใจนะกระดูกของพวกเราเนี่ยกระดูกของคนมีกิเลสมันก็จะชนๆกันอยู่เนี่ยถ้ากระดูกของพระเจ้าเนี่ยจะมีจะเกาะกั น, นเกาะกันทุกทุกข้อเลย ห่วงเกาะกันหมดเลยไม่หลุดนะจุดเใช่จุดข้อต่อทุกชิ้นเนี่ยของพระพุทธเจ้าของพระมาหาบุรุษเนี่ยจะมีขอเกาะเกาะและ้ลวไม่มีหลุดนะพระพุทธเจ้าไม่มีหลุดเกาะกันหมดเลยไม่มีหรอกอย่างอย่างอย่างของพวกเราเนี่นะดึงนิดหน่อยก็หลุดหลุดนะนี่คือคนบุญน้อยเป็นอย่างเงี้ยระดับพระพุทธเจ้าระดับมาหาบุรุษนี่ท่านสร้างสร้างบุญมาอย่างเดียวกระดูกทุกชิ้นส่วนนี่เกาะติดกันแน่นหมดเลย กาติดกันมาเป็นห่วงติดปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะและถ้าแกะโดยอย่างพวกเราเนี่ยหันคองกแ ง, งก็แงงไม่งามม้าุรุษจะไม่หันหันทั้งทั้งองคเลยเนะาะหันทั้งตัวกร่ากายจะไม่มีอ่ะจะไม่มีอยู่อย่างนี้แล้วก็ยหันไม่เนี่ยจะไม่งามเลยลักษณะม้าุรุษหันทั้งหันทั้งองค์หันทั้งตัวเลยเหมือนช้างอะ่ะเวลาจะหันกลับหลังก็หันหมดอย่างนั้นเพราะว่ากระดูกเกาะติดกัน จะไม่รอกแรกรักแกไม่เหมือนเต่าไม่เหมือนเราเหมือนเต่าดูไม่งามหรอกนี่มันเพระเอนมันเหมือนกันเยอะเลยก็ดูไปเข้าใจว่า ง, งามนี่ยังไม่ดูไม่ไม่เคยเห็นสิ่งที่เปรียบนะหรือว่าสิ่งที่ว่าสิ่งที่ว่ามันแตกต่างถ้าไปเห็นมหาบุรุษหรือพระเจ้ า, าเนี่ยมีข้อแตกต่างยังว่านะบุญพวกเราไม่ดีไม่ได้มีโอกาสเห็นถ้า่งนั้นก็โอ้มีโอกาสได้เห็น สรีระของพรุทธเจ้านะงามมากกระดูกซี่โค้งนะกระดูกสันหลังข้างในสันฐานทั้งแผ่นตะกั่วที่วางซ้อนๆกันเข้าไว้กระดูกสันหลังข้างนอกสันฐานก็เหมือนกับสายรูปคำและในระหว่างกระดูกสันหลังเหล่านั้นก็มีเดือยอยู่สองสามซี่คล้ายกระฟันเรื่อยกระดูกซี่โค้งยี่สิบสี่ซี่นะที่ไม่บริบูรณนะ์คือซี่สั้นๆสั น, ส น, สนฐานดังเชียวไม่เต็มเล่ม กระดูกซี่โครงที่บริบูรณ์ก็ยาวยาวเจรดกันแล้วก็สันผานเหมือนเขียวที่เต็มเล่มงอะอย่างนั้นนะกระดูกซี่โครงรวมกันทุกซี่สันผานน้ำปีกไก่ขาวที่กลางอยู่กระดูก อ, อกสิบสี่ชิ้นสันฐานดังก็ะกรองคานหามเก่ากระดูกบังหัวใจที่หัวใจก็มีกระดูกบังอยู่นะะสันฐานดังดังจวหวะกระดูกหายปลาราก ข, ขวานนี่นะ สันฐานนังมีดโ ล, โลหะเล่มเล็กๆพระพุทธเจ้าเ อ, อมีมีพระาธาตุนะเนี่ยที่ว่าหายบาลานเป็นพรลาภขวัญกระดูกสะบักสันฐานดังจอกขาวสีโหรที่เฮี้ยนไปข้างหนึ่งกระดูกต้นแขนสันฐา น, น, นดังด้ามแว่นกระดูกปลายแขนก็นสันฐานดังรากการคู่กระดูกข้อมือสันฐานดังเหมือนอะไรแผน่นตะกั่วแผนว่นตะกั่วที่เขาเชื่อม ติด ก, กันก็ไว้กระดูกล้างมือสันฐานก็เหมือนก็หัวค้าที่ถูกทุบ ก, กระดูกนิ้วมือก็เหมือนโคนนะสันฐานบรันดอกดังที่ได้กล่าวเลยกระดูกข้อปลายนิ้วสันฐานก็เม็ดตุมกาก็เป็นไม้ยื้ต้นผัดใบขนาดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่กว่านะั้นแล้วก็ผลก็กลงเหมือนกับโมกติดในะกว่าไงนะกระดูกคอเก้าชิ้นเจ็ดชิ้นสันฐานดังแว่นหน่อไม้ที่เขาใช้ไว้เสียบตั้งไว้โดยลําดับ กระดูกคางอันล่างประสานฐานดังครีมเหล็กของช่างโลหะกระดูกคางอันบนสันฐานดังเหล็กขูดกระดูกกระบอกตาแล้วก็กระดูกจมูกสันฐานเหมือนกับเต้าตาอ่อนที่ควักยาวออกมาแล้วยาวตาเนั่นเองเหมือนยาวตาเนี่ยที่กินได้รับประทานได้กระดูกหน้าผากก็เหมือนกับเปือกสังที่คว่าหน้าไว้กระดูกกอกหูสันฐานเหมือนฝักมีดฝักมีดกลนของช่างกลบก ปากซองหรือปอกของมีดเนี่ยกระดูกในโอกาสที่ติดกันเป็นแผ่นเหนือกระดูกหน้าผากและก็กระดูกกบหูส้นฐานดังท่อนผ้ายับยุยยี่ที่เต็มอยู่ในหม้อกระดูกกระหมอมก็ส้นฐานดังโล่เหมือนกระโลกมะพร้าวที่ปาดข้างหน้ากระดูกที่สะก็ส้นฐานดังกระลกน้ําเต้าที่เขาเย็ยบติดกันเข้าไว้ตั้งอยู่ต่อไปท่านใครพิจารณาบอกโดยทิศนะกระดูกเกิดในทิศทั้งสองคือทั้งเบื้องบนและก็เบื้องล่าง ไม่ป่าโกนกันตั้งอยู่ในสรีระทั้งสิ้นกระดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอใช่ไหมกระดูกศีรษะก็ตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอแล้วตั้งอยู่ตรงไหนกระดูกคอตั้งอยู่ไหนตั้งอยู่กระดูกสันหลังกระดูกคอตั้งกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังสิแปดท่อนไงมันติดกับกระดูกคอกระดูกสันหลังตั้งอยู่ที่กระดูกอะไรกระดูกสีเอลกระดูกซีเอลตั้งอยู่ที่นกระดูกไหนให้กระดูกขาก่อน กระดูกขาตั้งอยู่ี่กระดูกเข่ากระดูกข่าตั้งอยู่ที่กระดูกแข้งกระดูกแข้งตั้งอยู่ที่ไหนกระดูกเท้าข้อเท้ากระดูกข้อเท้าตั้งอยู่ที่กระดูกหลังเท้ากระดูกหลังเท้ารองรับอะไรรองรับกระดูกอะไรกระดูกหลังเท้ารองรับแบกอะไรไว้กระดูกหลังเท้าแบกอะไรไว้กระดูกหลังเท้าก็แบกกระดูกข้อเท้าก็ไว้กระดูกข้อเท้าแบกอะไรรองรับอะไรกระดูกแข้งก็ไว้กระดูกแข้งก็ แบกรับกระดูกเข่ากระดูกเข่าก็แบกรับกระดูกสะเอลกระดูกสะเอลก็แบกรับกระดูกหลังกระดูกหลังก็แบกรับคอกระดูกคอก็แบกรับกระดูกศรีษะเห็นไหมกระดูกศรีษะรู้ไหมว่าตนเองตั้งอยู่บนกระดูกคอรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เนาะกระดูกคอรู้ไหมว่าตนเองกำลังตั้งอยู่ที่กระดูกหลังกระดูกหลังรู้ไหมว่าตนเองตั้งอยู่ที่กระดูกสีเอลเห็นไหมเนี่ย กระดูกเซลก็ไม <SUS t. S 1> ่รู้ว่าตัวเองตั้งอยู่กระดูกขากระดูกขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งอยู่กระดูกเข่ากระดูกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งอยู่กระดูกแข้งกระดูกแข้งก็ไม่รู้ตัวเองตั้งอยู่กระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้านะก็ให้พิจารณานี่เหมันไม่รู้จักกันเลยไม่ตั้งกันอยู่เนี้ยแบกกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโรคปวดกระดูกอีกแล้วมันมากันคนละกรรมละกรรมละกรรมเนี้ยนี่มากันคนละกรรมเนี่ยแต่ละกระดูกระดูกที่ไล่ไล่มาเนี่ยมาคนละกรรมละกรรมมายด้วยกัน เพราะแต่ละท่อนมันเลยมีอา ย, ยุไม่เท่ากันอย่างไอ้ตรงนั้นสุดแต่ตรงนี้เสื่อมอลไรก็มือโอ้ลำบากเนี่ยนะก็จริงๆตรงเนี้ท่านพิจารณาเป็นกรรมฐานนะว่ากระดูกศรษะตั้งอยู่เป็นกระดูกคอกระดูกคอตั้งบุกกระดักดูกหลังกระดูกหลังตั้งกระดูกเซลล์เนี่ยให้ใค่ายควรพิจารณาอย่างนี้ก็ก็พิจารณาอย่างนี้นี่แหละรูปแลยเนี่ยนี้แหละดูรูปน้ําก็ดูแบบนี้ด้วยนี่ก็คือรูปน้ำเอง่ย ตอนนี้รูปยังไหมสิ่งที่เข้าไปรู้เป็นน้ํา ก, ก็ใช่าานั่นแหละเรื่กายยาทุัสนานี่สอนกายยาทุพสนานะมีปฏิคูณมรรสการบอกตอนนี้ชัดเลยนะลูกที่จริงท่านให้ไล่พิจารณาอย่างเงี้ยพิจรารณาก็ไล่ตั้งแต่กระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกหลังกระดูกหลังนั่ยก็พิจารณาอย่างเงี้ยกระดูกสะเอวตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขาก็ตั้งอยู่บนกระดูกเข่ากระดูกเข่าตั้งอยู่กระดูกแข้งกระดูก ตั้งกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าก็ตั้งอยู่กระดูกหลังเท้าโดยการตัดตอนก็คือการกําหนดด้วยการเลื่อยเยื่อในกระดูกข้างบนตัดตอนด้วยเนื้อที่ปลายและโคนก็กําหนดด้วยการกระดูกด้วยกันนก็ให้พิจารณาเอโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าโผกระดูกเยอะจังเนี่ยเรื่องกระดูกนี่มากมากไม่ใช่น้อยเลยโดยสันฐานนี่โดยสันฐานเนี่ยกระดูกนิ้วเท้า ปายเท้าก็เหมือนเมล็ดบัวกระดูกนิ้วเท้าท่อนล่างก็เหมือนกับสายพินกระดูกนิ้วเท้าก็เหมือนบันดะเล็กกระดูกหลังเท้าก็เหมือนกับต้นค้าถูกทุบกระดูกส้นเท้าก็เหมือนกับตาลรอนเดียวกระดูกข้อเท้าก็เหมือนกับลูกเสบ้าคู่กระดูกหน้าแข้งจรดข้อเท้าก็เหมือนกับไม้อ่อนทองปอกเปลือกกระดูกแข้งท่อนเล็กก็เหมือนคันดนูกระดูกแข้งท่อนใหญ่กหลังหลังมูที่ตายแห้งกระดูกเข่าเสบ้าก็เหมือนตอมน้ําที่เวียงที่แหวงนะ กระดูกแข้งเจรดกระดูกหัวเข่าก็เหมือนโคบเขาโคปลายทู่กระดูกขาอ่อนก็เหมือนกระด้ามพระกระดูกขาอ่อนเจรดกระดูกสะเอวก็เหมือนลูกสะบ้ากระดูกสะเอวเจรดกระดูกขาก็เหมือนกระผลมามั่วใหญ่ ป, ปลายปราศกระดูกสะเอวสองท่อนก็เหมือนเตาในช่างหม้อถ้าแยกออกแต่ละท่อนชีมข้างายช่างทองกระดูกสะโพกกระเบนเน็บก็ะพังพานงูด้านหลังมีอยู่เจ็ดช่อง กระดูกสันหลังด้านในก็เหมือนห่วงตะกัวซ้อนกันกระดูกสันหลังด้านนอกก็ลูกประค ท, ที่มีในระหว่างเป็นลูกเล็กๆขั่นอยู่สองสามอันเนี่ยกระดูกซี่โครงยี่สิบสี่ซี่เหมือนปีกไก่เนี่ยสีขาวกลางออกซี่ที่ไม่เต็มก็เหมือนเขียวที่ไม่เต็มเล่มซี่ที่เต็มก็เหมือนเคียวที่เต็มเล่มกระดูกออกสิบสี่ชิ้นก็เหมือนกระลูกกรงคานหามที่เก่าๆกระดูกใกล้หัวใจเหมือนจหวะ ก, กระดูกไหายปลากเหมือนดาบมีดเล็กๆ กระดูกสะบากก็เหมือนกับเฮี้ยนเหมือนจอบที่มันเฮี้ยนลยแล้วจอบของพวกใครจอบพวกชาวสีหนีขุดดินจนเฮี้ยนแล้วว่างั้นนะกระดูกต้นแขนก็เหมือนกระด้างกระจกเงากระดูกปลายก็เหมือนกระลาตนท่อนปลายก็เหมือนกระลากตาคู่กระดูกข้อมือกระดูกหลังมือกระดูกคนข้อมือเป็นต้นเหล่าเนี้เป็นไปตามลำดับอันนี้คือสันฐานโดยทิศก็อยู่ยในทิศทั้งสองโดยโอกาสนี่สิ โดยกระดูกะดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกอะไรนะกระดูกคอนะกระดูกคอตั้งอยู่ที่ไหนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังตั้งที่ไหนกระดูกเสื่อเอวตั้งอยู่ที่กระดูกขาอ่อนนะกระดูกขาอ่อนตั้งที่กระดูกเข่ากระดูกเข่าตั้งอยู่ที่กระดูกแข้งกระดูกแข้งตั้งอยู่ที่ข้อเท้ากระดูกข้อเท้าตั้งอยู่ที่กระดูกหลังเท้านี่นะก็ให้พิจารณาอย่างนี้นี่คือกระดูกสามร้อยท่อน มึนไหมย้อนสมัยคือคือจริงๆตรงนี้ที่มันต้องมาสาธยายในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าคือมูลเหตุในการศึกษาคําสอนตรงเนี้เนาะก็คือว่าหลักการในการพิจารณาเนี่ยถ้าหากจะพิจารณาในคําสอ น, นเนี่ยนะตั้งแต่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่จริงมันพิจารณาเป็นได้หลายส่วนนะ ในส่วนที่เราพิจารณากันอยู่นี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลนะปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะเป็นการพิจารณาวัตถุประสงค์ในการพิจารณาอย่างนี้ก็เพื่อเอามาวิจัยนะเหมือนการทำมาเอามาทําปริญญาเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเหล่านี้ยมาวิจัยมาพิจารณามาแยกแยะฉะนั้นการศึกษาคําสอนโดยการเรียนแบบพิสดาร เ, เหล่านี้เขาเรียกว่าเรียนแบบ ถ้าคนมีปัญญาน้ตเขาให้เรียนแบบนี้ถ้าคนมีปัญญามากเขาก็เรียนยอ่อถ้าอย่างเราเนี่เรียนโดยทิฏดานมันมันเหมาะแก่อัตยาสัยที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่แทงตลอดหรือพิจารณาสิ่งต่างๆอย่านี้ได้ดีนี่เป็นอย่างงั้เอา้ามีใครจะถามปัญหาอะไรไหมฮะมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยป่าไม่สงสัยแล้วนะถ้าสงสัยไหมไม่มีนะเดี๋ยวไม่สงสัยเดี๋ยวได้สวดมนต์กัน เดี๋ยวตั้งใจสวดมนต์กันไหม